เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งนแต่ได้หลายอย่างว่างจากความเป็นตัวเป็นอเ้นเดเฉลยวแล้วเ <c oughs> จะไปให้อ่านเองบ้างเด <c oughs> ี๋ยวนีสัยเสียขี้เกียจนะ <c oughs> <c oughs> เวลาพูดถึงหน้าตามีหลายมุมว่างเปล่าสุญญตาเนี่ยเป็นมุมหนึ่งมันว่างว่างแต่ไม่ใช่ว่างแบบไม่มีอะไรเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นถ้ามีเหตุมันก็มีถ้าหมดเหตุมันก็ดับ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 อย่างขั้นสมถนะจิตต้องนิ่ ง, งจิตต้องเป็นหนึ่งนิ่งอยู่อยนะ่านัะนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจิตเป็นหนึ่ ง, าานนงอารมณ์มีหกอารมณ์มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เหมือนกันนะหรือสุดยอดปลายทางเลยก็ เ, เป็นอีกแบบหนึ่งต้นทางก็เป็นอีกแบบนึงกลางทางก็เป็นอีกอย่างนะ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 งั้นถ้าใครฟังตรงนี้บอกหลวงปู่ดุลสอนดูจิตเนี่ยให้พุโทโธความคิดเกิดขึ้นให้ปัดทิ้งไปสรุปว่าหลวงปู่ดุลสอนอย่างนี้ไหมสอนแต่สอนนีกับคนซึ่งจะให้หัดทําสมถะงั้นธรรมนะนั้นมันหลายขั้นหลายตอนนะอย่างทีแรกมาให้พุโทโธพุโทโธใจหนีไปคิดรู้ทันนะไม่คิดไม่นึกอะไรสงบนแน่วอยู่ในร ม, มันเดียวอันนี้เป็นขั้นทําสมถะ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 หลวงปู่สอนเลยว่าหลวงปู่บอกให้ดูจิตแล้วบอกจิตไม่มีที่ตั้งตั้งแล้วองอ่ะท่านไม่อธิบายนะท่านให้เราเภราวนาถ้าทําผิดแล้วท่านก็บอกอย่างงอ่ะภาวนาไปเรื่อยๆนั้นบางคนนะบอกหลวงปู่ ด, ดูลสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งก็ถูกแต่ถูกในขั้นสมถะ บางคนหลวงปู่ก็สอมีจิตตั้งมั่นนะเห็นสภาวะธรรมสังขารทั้งหลายมันปรุงไปสัญญามันทํางานไปเวทนามันทงานไปนี่ทําอยู่ที่จิตที่เป็นสัญญากระสังขารแล้วก็เวทนาที่นํามาทําที่ทํางานอยู่ที่กายก็มีแต่เวทนาที่ท่านสอนดูจิตดูใจก็เห็นเดี๋ยวสังขารก็ทํางานเดี๋ยวสัญญาก็ทํางานเดี๋ยวเวทนาก็ทํางานก็ปรุง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 ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทำงานร่วมกันอยู่เดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่วเดี๋ยวก็ปรุงสุขเดี๋ยวก็ปรุงทุกปรุงสุขปรุงทุกก็เป็นเวทนาปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นสังขารจิตนั้นไม่ได้เกิดเดียเด่ยวเดี่ยวจิตต้องเกิดร่วมกับเวทนาจิตบางดวงมีความสุขนะมีเวทนาคือความสุขเรียกสมนัตเวทนามีสังขารคือราคะ mm. ในนี้ก็ได้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 กิเลมมนหลอกนะหลอกอยยาไปว่าเขาแล้วกันเพราะเขารู้แค่นั้นอ่ะ <c oughs> เขาไม่รู้ความสุขที่ประณีษเหนือวันนั้นนี่เรามาดูนะมาหัดดูขันทั้งหลายนะเดยวะธวนาก็ทํางานเด่นขึ้นมาเดี๋ยวสัญญาก็ทํางานเด่นเดี๋ยวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็ทํางานเด่นนจิตก็เป็นคนรับรู้แต่ไม่ชอบรู้อย่างเดียวเลยชอบวุ่นวายชอบแทรกแสงด้วยชอบยินดียินร้าย